รวมเรื่องที่มีในขุทกกะวัตถุขันทกะพระฉับพักขีสงน้ำขัดสีกายกับต้นไม้สงน้ำขัดสีกายกับเสาสงน้ำขัดสีกายกับฝาสงน้ำในที่ไม่สมควรใช้มือทําด้วยไม้หอมถูกายส่งน้ำใช้เชือก ชุบจุรณสิลาสีเหมือนพลอยแดงถูกายส่งน้ำทำบริกรรมให้แก่กันและกันใช้ไม้บังเวียนจักเป็นฟันมังกรถูกายส่งน้ำภิกษุเป็นหิตภิกษุทุบพลภาพเพราะชราทรงอนุญาตให้ใช้ฝ่ามือถูหลัง พระจับพักคีใช้เครื่องประดับชนิดต่างๆคือเครื่องประดับหูสร้อยสังวานสร้อยคอเครื่องประดับเอววลัลสร้อยตาบเครื่องประดับข้อมือแหวนสวมนิ้วมือพระจับพักขีไว้ผมยาวใช้แปลงห ว, วีผมใช้หวีหวีผม เสยผมใช้น้ำมันผสมขี้ผึ้งเสยผมใช้น้ำมันผสมน้ำเสยผมส่องเงาหน้าที่คันช่องในภาชนะใส่น้ำภิกษุเป็นแผลที่หน้าทรงอนุญาตให้ตรวจ ด, ดูรอยแผลที่คันช่องหรือที่ภาชนะใส่น้ำได้พระจับพักขีฐาหน้า ถูหน้าผัดหน้าเจิมหน้าย้อมตัวย้อมหน้าย้อมทั้งหน้าทั้งตัวภิกษุอาพาธเป็นโรคตาทรงอนุญาตให้ทาหน้าได้พระจับพคกีดูมหรสพสวดธรรมด้วยเสียงขับยาวทรงอนุญาตให้สวดสารพัญญะ พระฉับพักคีใช้ผ้าขนสัตว์พระฉับพักคีฉันมะม่วงสมาคมหนึ่งถวายชิ้นมะม่วงทรงอนุญาตให้ผลไม้ที่สมควรแก่สมณนะภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดเพราะไม่เจริญเมตตาภิกษุตัดองคชาติของตน เศรษฐีถวายบาทไม้จันพระฉับพักคีใช้บาทชนิดต่างๆใช้เชิงรองบาทชนิดต่างๆเช่นเชิงรองบาททองใช้เชิงรองบาทสวยงามภิกษุบางพวกเก็บบาทไว้ทั้งที่ยังไม่แห้งทำให้บาทเหม็นอับ เอาบาดพึ่งแดดทั้งที่ยังมีน้ำบาดมีกลิ่นเหม็นภิกษุบางพวกวางบาดไว้ในที่ร้อนผิวบาดเสียวางบาดในที่ไม่มีเชิงรองวางบาดไว้ที่ริมต่างไม้บาดกลิ้งตกแตก วางบาทไว้ที่พื้นดินทรงอนุญาตหญ้ารองปลวกกัดหญ้าทรงอนุญาตท่อนผ้ารองทรงอนุญาตชั้นวางทรงอนุญาตหม้อปากกว้างเก็บบาททรงอนุญาตถลกบาททรงอนุญาตสายโยกได้ถัก ทรงห้ามแขวนบาทไว้ที่เดือยข้างฝาทรงห้ามเก็บบาทไว้บนเตียงบนตังบนตักบนกลดภิกษุถือบาทอยู่ในมือไม่พึงผลักประตูไม่พึงใช้กะโหลกน้ำเต้าแทนบาทไม่พึงใช้หม้อกระเบื้องแทนบาท ไม่พึงใช้กระโหลกผีแทนบาทไม่พึงใช้กระโถนแทนบาทภิกษุรูปหนึ่งใช้มือฉีผ้าเย็บจีวรมีดมีด้ามเกิดขึ้นแกสงทรงห้ามใช้มีดด้ามทองภิกษุทั้งหลายใช้ขนไก่และไม้กลัดเย็บจีวร ทรงอนุญาตกล่องเข็มแป้งเข้ามาผงขมิ้นฝุ่นศิลาขี้ผึ้งผ้ามัดขี้ผึ้งเพื่อไม่ให้เข็มมีสนิมขึ้นภิกษุทั้งหลายเย็บจีวรโดยขึงกับหลักทำให้มุมจีวรเสียทรงอนุญาตให้ผูกไม้สะดึง ทรงห้ามขึงไม้สะดึงในที่ไม่เรียบทรงห้ามขึงไม้สะดึงที่พื้นดินขอบไม้สะดึงชำรุดไม้สะดึงไม่พอทรงอนุญาตให้ทำหมายระยะทรงอนุญาตเส้นบรรทัดภิกษุททั้งหลายไม่ล้างเท้าเหยียบไม้สะดึง เท้าเปียกเหยียบไม้สะดึงสวมรองเท้าเหยียบไม้สะดึงภิกษุทั้งหลายเย็บจีวรใช้นิ้วมือรับเข็มทรงอนุญาตปลอกสวมนิ้วมือทรงอนุญาตกล่องสำหรับเก็บเครื่องเย็บผ้าทรงอนุญาตถุงเก็บปลอกสวมนิ้วมือ ทรงอนุญาตสายโยกได้ถักพิกษุทั้งหลายเย็บจีวรในที่แจ้งโรงสะดึงมีพื้นที่ต่ำดินที่ถมพังทลายพิกษุทั้งหลายขึ้นลงลำบากผงหญ้าตกเกลื่อนที่โรงสะดึง ทรงอนุญาตให้ฉาบทั้งภายในภายนอกทําให้มีสีขาวสีดําสีเหลืองเขียนลวดลายดอกไม้เขียนลวดลายเถาวันจักเป็นฟันมังกรเขียนลวดลายดอกจอกราวจีวรสายระเดียงภิกษุทั้งหลายทิ้งไม้สะดึง หลีกไปไม้สะดึงหักไม้สะดึงคลี่ออกภิกษุทั้งหลายเก็บไม้สะดึงไว้ที่ฝากุูดีภิกษุทั้งหลายเก็บเข็มมีดไว้ในบาททรงอนุญาตถุงเก็บเครื่องยาทรงอนุญาตสายโยกได้ถัก ภิกษุผูกรองเท้าไว้กับประคตเอวทรงอนุญาตถุงเก็บรองเท้าสายโยกได้ถักน้ำในระหว่างทางเป็นอะกัปปิยะทรงอนุญาตผ้ากรองน้ำกระบอกกรองน้ำภิกษุสองรูปเดินทางไปกรุงเวสาลี ทรงอนุญาตผ้ากรองน้ำมีขอบทรงอนุญาตให้ลาดผ้าลงบนน้ำทรงอนุญาตกุดีกันยุงภิกษุทั้งหลายมีอาพาธมากเพราะฉันอาหารประนีตหมอชีวกจึงทูลขออนุญาตสร้างที่จงกรมและเรือนไฟ ภิกษุทั้งหลายจงกรมในที่ครุขระเท้าเจ็บที่จงกรมมีพื้นที่ต่ำทรงอนุญาตก่อคันก้านดินที่ถมสามชนิดภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลำบากทรงอนุญาตบันไดและราวสำหรับยึด ภิกษุทั้งหลายจงกรมในที่แจ้งผงหญ้าตกเกลื่อนที่โรงจงกรมทรงอนุญาตให้ฉาบทั้งภายในภายนอกทำให้มีสีขาวสีดำสีเหลืองเขียนลวดลายดอกไม้เขียนลวดลายเถาวัลย์จักเป็นฟันมังกร เขียนลวดลายดอกจอกราวจีวรสายระเดียงทรงอนุญาตให้ถมพื้นที่เรือนไฟให้สูงดินที่ถมพังทลายทรงอนุญาตบันไดราวบันไดทรงอนุญาตบานประตูกรอบเช็ดหน้ารูครกที่รับเดือยประตู ห่วงข้างบนสายอยู่ไม้หัวลิงกลอนลิ่มช่องดานช่องสำหรับชักเชือกสำหรับชักทรงอนุญาตให้ฉาบฝาเรือนไฟรอบๆทรงอนุญาตช่องระบายควันภิกษุทั้งหลายตั้งเตาไฟไว้กลางเรือนไฟ ทรงอนุญาตดินทาหน้ารางละลายดินดินมีกลิ่นเหม็นไฟแผดเผากายทรงอนุญาตที่ใส่น้ำขันตักน้ำเรือนไฟไม่อบเงื่อเรือนไฟมีพื้นลื่นทรงอนุญาตให้ชำระล้าง ทรงอนุญาตให้ทำท่อระบายน้ำทรงอนุญาตตั้งรองนั่งในเรือนไฟทรงอนุญาตให้ทำซุม้มทรงอนุญาตให้โรยกรวดแร่ทรงอนุญาตให้วางศิลาเรียบทรงอนุญาตท่อระบายน้ำ ภิกษุทั้งหลายเปลือยกายไหว้กันภิกษุทั้งหลายวางจีวรไว้บนพื้นดินฝนตกจีวรเปียกทรงอนุญาตเครื่องกำบังสามชนิดทรงอนุญาตบ่อน้ำในเรือนไฟขอบบ่อน้ำสุดบ่อน้ำมีพื้นที่ต่ํา ภิกษุทั้งหลายใช้ประคตเอวและเถาวัลย์ผูกภาชนะตักน้ำทรงอนุญาตคันพงรหัตมือรหัตจักรภาชนะตักน้ำทั้งหลายแตกทรงอนุญาตถังตักน้ำโลหะถังไม้และถังหนังทรงอนุญาตศาลาบ่อน้ำ ผงหญ้าตกเกลือนในศาลาบ่อน้าทรงอนุญาตฝาปิดบ่อน้ำทรงอนุญาตรางน้ำทรงอนุญาตรางระบายน้ำทรงอนุญาตกําแพงกั้นบ่อน้ำลื่นทรงอนุญาตท่อระบายน้า ภิกษุทั้งหลายมีเนื้อตัวเปียกชุ่มเย็นทรงอนุญาตสระโบกขอรณีน้ำในสระโบกขอรณีเก่าทรงอนุญาตเรือนไฟมีปั้นลมพระฉับพักขีอยู่ปรากผ้าปูนั่งสี่เดือนพระฉับพักขี นอนบนที่นอนโรยด้วยดอกไม้ทรงอนุญาตให้รับประเคนดอกไม้ของหอมทรงอนุญาตสันถัดขนเจียมไม่ต้องอธิษฐานพระฉับ พ, พักขีฉันอาหารโตกทรงอนุญาตเชิงบาท พระฉับ พ, พักขีฉชั้นอาหารในภาชนะเดียวกันนอนเตียงเดียวกันเจ้าวัดทะลิชวีใส่ความพระทัพพระโพธิราชกุมารทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคมารับพัตตาหารมีปราศาสตรใหม่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงเหยียบผ้าขาว นางวิสาขามิคารมาตานำหม้อน้ำปุ่มไม้ที่เช็ดเท้าและไม้กวาดเข้าไปถวายทรงอนุญาตที่เช็ดเท้าศิลากรวดศิลาฟองน้ำทรงอนุญาตพัดโบกพัดใบตาลแซ่ปัดยุงแซ่จามรี พระชับ พ, พักขีกั้นร่มเดินเที่ยวภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข่ขาดร่มแล้วไม่มีความผาสุกพระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้ใช้ร่มได้กางร่มในเขตวัดได้รวมเป็นสามเรื่องทรงอนุญาตสิ ก, กาสมมติ ภิกษุรูปหนึ่งมีนิสัยเคี้ยวเอื้องสมาคมหนึ่งจัดสังขพัดทำเมล็ดข้าวตกเกลือนภิกษุรูปหนึ่งไว้เล็บยาวภิกษุทั้งหลายใช้เล็บตัดเล็บนิ้วมือเจ็บตัดเล็บจนเลือดออกทรงอนุญาตให้ตัดเล็บเสมอเนื้อ พระฉับพักคีขัดเล็บทั้งยี่สิบเล็บภิกษุทั้งหลายไว้ผมยาวทรงอนุญาตมีดโกนหินลับมีดปลอกมีดผ้าพันมีดเครื่องใช้โกนพระฉับพักคีแต่งหนวดปล่อยหนวดไว้ยาวไว้เครายาว แต่งหนวดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่งขนหน้าอกแต่งขนหน้าท้องแต่งหนวดเป็นเขี้ยวงงโกนขนในที่แคบภิกษุอาพาธอนุญาตให้โกนขนในที่แคบได้ทรงอนุญาตใช้กันไกตัดผมในกรณีที่ศีรษะเป็นแผล ทรงห้ามไว้ขนจมูกยาวทรงห้ามใช้ก้อนกรวดถอนขนจมูกทรงห้ามใช้กันและกันถอนผมงอกทรงอนุญาตไม้แคะขี้หูในกรณีที่ขี้หูอุดช่องหูพวกภิกษุฉับ พ, พักคีสะสมโลหะทรงอนุญาตยาตา ทรงห้ามนั่งรัดเข่าทรงอนุญาตผ้ารัดเข่าทรงอนุญาตได้พันและไม้สลักทอทรงอนุญาตประคตเอวทรงห้ามใช้ประคตเอวชนิดต่างๆคือประคตถักเชือกถักเป็นหัวงูน้ำกลมคล้ายเกลียวเชือก คล้ายสังวานทรงอนุญาตประคดแผ่นผ้าประคดไส้สุกรชายประคดเอวลุยทรงอนุญาตให้เย็บทบถักเป็นห่วงปลายห่วงประคดลุยทรงอนุญาตลูกถวินทรงอนุญาตลูกดุมภิกษุฉับพัก ค, คี ใช้ลูกดุมชนิดต่างๆภิกษุทั้งหลายติดแผ่นผ้ารองลูกดุมและรังดุมที่ชายจีวรทรงอนุญาตให้ติดแผ่นผ้าลึกเข้าไปพวกภิกษุฉับ พ, พักขีนุ่งผ้าอย่างคฤหัตคือนุ่งปล่อยชายเหมือนงวงช้างเหมือนหางปลา ปล่อยชายเป็นสี่แฉกปล่อยชายคล้ายก้านตานนุ่งยกกลีบตั้งร้อยพวกภิกษุฉับพักขีห่มผ้าอย่างคฤหัตนุ่งผ้าโจงกระเบนพวกภิกษุฉับพักขีหาบของทรงอนุญาตให้คอนหามเป็นต้นได้ พวกภิกษุฉับพักขีใช้ไม้ชําระฟันตีสา ม, มเณรไม้ชําระฟันติดลำคอพวกภิกษุฉับพักขีจุดไฟเผากองหญ้าทรงอนุญาตให้จุดไฟต้านไฟป่าที่กําลังไหม้พวกภิกษุฉับพักขีขึ้นต้นไม้ภิกษุรูปหนึ่ง ถูกช้างไล่ภิกษุเม ธ, ธะและโกฏิถะทูลขอยกพระพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤตพวกภิกษุฉับ พ, พักขีเรียนสอนโลกายัตพวกภิกษุฉับ พ, พักขีเรียนดิรัชานวิชาเมื่อมีการจามไม่ควรกล่าวคำให้พร ทรงอนุญาตให้พรตอบเพื่อความเป็นสิริมงคลทรงห้ามฉันกระเทียมเมื่อเข้าสมาคมพระสารีบุตรอาพาธเป็นลมเสียดท้องทรงอนุญาตให้ฉันกระเทียมได้อารามศ ก, กปรกมีกลิ่นเหม็นนั่งปัสสาวะไม่สะดวก ทรงอนุญาตฐานวางเท้าทายปัสสาวะที่ปัสสาวะเปิดเผยภิกษุทั้งหลายละอายทรงอนุญาตรั้วไม้หม้อปัสสาวะไม่มีฝาปิดทรงกลิ่นเหม็นภิกษุทั้งหลายทายอุจจาระลงที่นั้นๆอารามมีกลิ่นเหม็น ขอปากหลุมถ่ายอุจจาระพังทรงอนุญาตให้ถมพื้นให้สูงทรงอนุญาตให้ก่อคันกั้นทรงอนุญาตบันไดาราวยึดภิกษุทั้งหลายนั่งถ่ายอุจจาระที่ริมหลุมพลัดตกลงไปนั่งถ่ายไม่สะดวก ทรงอนุญาตฐานวางเท้าท่ายท่ายปัสสาวะออกไปข้างนอกทรงอนุญาตรางรองปัสสาวะไม้ชํมระตะกร้าที่ใส่ไม้หลุมอุดจาระไม่ได้ปิดฝาทรงอนุญาตฝาปิดทรงอนุญาตวัชกุดีบานประตู กรอบเช็ดหน้ารูครกที่รับเดือยประตูห่วงข้างบนสายอยู่ไม้หัวหลิงกรอนลิ่มช่องดานช่องสำหรับชักเชือกสำหรับชักผงหญ้าตกเกลื่อนทรงอนุญาตให้ฉาบด้วยดินทั้งภายในภายนอกทำให้มีสีขาว สีดําสีเหลืองสีอย่างไม้เขียนลวดลายดอกไม้เขียนลวดลายเถาวันจักเป็นฟันมังกรเขียนลวดลายดอกจอกกราวจีวรสายระเดียงภิกษุรูปหนึ่งทุบพลภาพเพราะชราทายอุจจาระลุกขึ้นแล้วล้มลง ทรงอนุญาตให้ล้อมรั้วทรงอนุญาตซุ้มประตูวัดจักุดีทรงอนุญาตให้โรยกรวดแร่ทรงอนุญาตให้วางศิลาเรียบมีน้ำขังก็ทรงอนุญาตท่อระบายน้ำทรงอนุญาตหม้ออุดจาระขันตักน้ำภิกษุทั้งหลาย นั่งถ่ายไม่สะดวกฐานที่นั่งถ่ายอุจจาระเปิดเผยภิกษุทั้งหลายละอายทรงอนุญาตฝาปิดพวกภิกษุฉับพักขีประพฤติไม่เหมาะสมเรื่องทรงอนุญาตเครื่องใช้โลหะเว้นเครื่องประหารทรงอนุญาตเครื่องใช้ไม้ เว้นเก้าอี้นอนบัลลังก์บาทและเขียงเท้าทรงอนุญาตเครื่องใช้ดินเว้นเครื่องใช้เช็ดเท้าและกุดีดินเผานักวินนยพึงทราบนิเทศแห่งวัตถุที่เหมือนกันข้างต้นว่าย่อไว้ในอุทธธาน เรื่องในขุดทกกะวัตถุขันทกะที่แสดงไว้หนึ่งรสิบเรื่องพระวินัยทรผู้ศึกษาดีแล้วหวังเกื้อกูลมีศีลเป็นที่รักมีปัญญาดุดประทีปเป็นพะหูสูรผู้ควรเคารพกราบไหว้จะเป็นผู้สืบต่อพระสัทธรรมและอนุเคราะห์เหล่าสะพรมจจารีผู้มีศีลดีงาม ขุดทกะวัตถุขันทกะจบ